อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารบุรุณในช่วงของการสากระชาค่ะหรือก็คือการสนทนาธรรมะนั่นเองนะคะซึ่งดิฉันก็จะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายการธรรมะรบุรุณของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งเราก็ถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่นะคะทั้งทั้งประเทศนี่เรามีประมาณหนึสถานีค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นไม่ต่ํากว่าร้อยสถานีที่ถ่ายทอดสดรายการนี้ไปนะคะหรือว่าถ่ายทอดเสียงนั่นเองนะค ะ, ะสําหรับรายการธรรมระเบรุณเราพบกันในเช้า ว, วันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมค่ะเป็นวันเสาร์ที่7กรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรมสี่ข้าเดือน8ปปีมะโรงค่ะ ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพยบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อํานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนไหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นองค์ป่าถูกประจํารายการธรรมารบอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะ ก็วัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากอนท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้มีเมตตาอย่างสูงเลยนะคะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัส ก, การท่านกันดี ก, กว่านะคะเราจะได้สนทนาธรรมว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของการตอบจดหมายท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัส ก, การเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขะเตมปานสาธุเจ้าค่ะวันนี้จะตอบปัญหานะเจ้าขาที่จริงพระอาจารย์จะตอบ ทุกๆวันวันพู่แล้วาค่ะเจ้าค่ะทีนี้ว่าคําถามบางอย่างที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจในในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเจ้าค่ะก็จะทําให้คนคนอื่นหมายถึงท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนช่วงของสากัะชานี้ก็จะได้รับความรู้ไปด้วยนะเจ้าค่ะใช่ใเจ้าค่ะคือเพราะว่าคําถามบางอย่างเนี่ยมันจะมีประเด็นที่ที่แตกไปได้เยอะนะคือถ้าอาตมาพูดคนเดียวเนี่ยเราก็เข้าใจเราก็อธิบายตามที่เราเข้าใจไปใช่ไหม แต่ถ้ามีคนที่เขาคอยจะหยุดแล้วก็ถามคำถามตรงนั้นแจกตรง น, รงนี้ตรงนี้เป็นยังไงอะไรต่างเนี่ยมันจะทำให้มีประเด็นที่แตกก็ไปเรื่อยๆคุณฟังก็จะได้เข้าใจมากขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าโยมก็ได้ทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะที่ไม่ทราบในข้อธรรมานั้นๆก็จะต้องกราบที่จะซักถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะ ทีนี้เราเริ่มอตอบคำถามนะเจ้าคะ่ะว่าวันนี้จ ะ, ะนำคำถามที่คุณวิไลจิตสังฆ ะ, ะได้เขียนถามมาในเว็บไซต์ของพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุนโนท่านก็เขียนมาขออนุ ญ, ญาตท่านผู้ฟังอ่านให้ฟังสักนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านก็เขียนมาได้น่าสนใจทีเดียวท่า น, ท, านท่านเขียนว่ากลับนมัส ก, การพระอาจาราย์ภพบูล และสวัสดีค่ะท่นรองเตนใจค่ะก็สวัสดีนะคะดิฉันฟังรายการธรรมรับรุณทุกวันเจ้าค่ะและในแต่ละวันก็ได้ข้อคิดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตดีมากเจ้าค่ะทำให้รู้ถึงการปฏิบัติที่ถูกที่ควรทําให้เรารู้เท่าทันจิตของตนเองเมื่อมาพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าในบางครั้งจิตเราจะไม่นิ่งวุ่วี่วุ่นวายทุกวันถ้าเราปล่อยจิตให้ปราศจากการฝึกหรือควบคุมจิต ช่วงนี้จิตจะตกทำให้ปวดหัวซึ่งก็เคยประสบกับตนเองเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มได้ข้อคิดในการฝึกจิตจากการฟังธรรมรับอรุณนี่ลหละเจ้าค่ ะ, ะให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกทำอะไรก็ให้กำหนดรู้ทุกขณะซึ่งก็ดีขึ้นมากเจ้าค่ ะ, ะปล่อยวางเรื่องอื่นย้อนกลับมาดูลมหายใจของตนเองก็รู้สึกสบายใจเจ้าค่ะธรรมะในแต่ละวันก็ขอชม เจ้าค่ะว่าละเอียดลึกซึ้งยอดเยี่ยมมากเจ้าค่ะดิฉันได้เข้าชมาเว็บของวัดป่าดอนหายโศกสภาพแวดล้อมน่าอยู่มากนะเจ้าคะพระอาจารย์ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งที่บอกว่าธรรมะมีค่าเท่าไหร่ก็ได้ข้อคิดดีมากาดูเกี่ยวกับวัดหลายๆอย่างด้วยตนเองก็กำลังสร้างโบสถ์ด้วยใช่หรือไม่เจ้าคะอยากช่วยทาบุญด้วยดูดูแลพระอาจารย์ยังบวชไม่นาน แต่ด้วยความตั้งมั่นรู้สึกว่าจะแตกฉานจริยฉราดในข้อหลักธรรมดีมากเจ้าค่ะคำถามที่ถามมาก็มีอยู่ว่าเรามีกลวิธีฝึกจิตอย่างไรไม่ให้จิตฟุ้งซ่านในบางครั้งใจลอยนะเจ้าค่ะก็ขอความกรุณาตอบในรายการวันพุธซึ่งก็คิดว่ า, าถ้าทางาท่านผู้ถามนะคะได้ได้ไดฟังรายการธรรมราพรุนเป็นประจำแล้วก็ก็คงจะไม่พลาด อารับฟังในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันสําหรับคุณวิราจิตก็ขออนุญาตกราบนิมนต์พระอาจารย์ภัยบุญอภิพูโ น, โนเจ้าค่ะได้ได้ตอบคําถามข้อแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติใช่ไหมเจ้าค่ะที่รู้เท่าการจิตแล้วก็พูดถึงวัดด้วยออขอนุโมทนเลยเจ้าค่ะอันดับแรกก็จะไล่ไปทีประเด็นก่อนเกี่ยวกับจดข้อความที่คุณวิราชิตสังขาะส่งมาที่คือส่งม า, ท, งมาทางเว็บไซต์เจ้าค่ะเราก็ได้รับเราก็ถ้าถ้าใครสามารถเข้าคอมพิวเตอร์ได้ ก็ลองไปดูได้ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ก็ <Okay. S 1> จะมีข้อความของคุณวิไลเจษสังขานี่อยู่ทีนี้อาทีละอย่างนะว่าหลักธรรมที่พระเจ้าสอนเนี่ยคุณเตือนใจเป็นเป็นวิถีทางในการดําเนินชีวิตแน่นอน <Okay. S 1> นะคือคือการดําเนินชีวิตของเรากับธรรมะที่พระเจ้าสอนมันไม่ใช่คนละอย่างกันมันเป็นอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจามาก็จะต้องยืนยันว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้ได้นะถ้าชีวิตของเรามีธรรมะ ใช่ไหมคุณเป็นนักเรียนนักศึกษามีธรรมะเอาคุณเรียนเก่งได้คุณสามารถอสอบก็สอบได้เรียนดีขึ้นมาได้คุณเป็นพ่อแม่คุณก็มีความเมตตาได้ถ้ามีธรรมะคุณเป็นลูกน้องคุณก็มีความขยันขันแข็งมีความซื่อสัตย์อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเราได้ในทุกอย่างทีนี้ในที่ผ่านๆมาเนี่ยเราอาจจะมีความคิดที่ยังไม่ถูกหรือว่า อการสอนการรูปแบบของการสอนเนี่ยอาจจะทําให้เรามีความไปแบ่งว่าเออธรรมะอยู่ที่วัดนะธรรมะอยู่กับพระนะฉันเป็นคารวะานะบายบายแหละธรรมะไม่เกี่ยวข้องกับฉัน <c oughs> นะ <c oughs> พูดธรรมะมาทีเนี่ยโหเป็นศัพท์ที่ต้องคิดแล้วคิดอีกกว่ามันจะเข้าใจได้เนี่ยนะ <c oughs> <G> ก็เลยก็เลยจัดทางทีมงานนะก็เลยปรึกษากันว่าเออเราก็มาทําในลักษณะ น, าานี้เอาพูดที่พูดง่า ย, ายๆคือตัวตัวเราเองคุณธรใจตัวเร า, าเองเนี่ยก็เออเราก็ไม่ไม่อยากที่จะเข้าใจเรืมันยากๆอ ย, ากอยู่แล้วนะ เราก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เพราะเราก็จะเข้าใจนี้มันง่ายๆขอค้าอไม่ฉลาดไม่จบเหมือนนอกเราก็พยายามที่จะทําอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆอ่ะแล้วผู้เช่าของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ฉลาดในการสอนบทพิชญะของเบญจีิเนียบมากแต่ถ้าเราไปเห็นแง่มุมตรงนี้แล้วจะทําให้มีความลึกซึ้งได้มากแล้วก็สามารถยืนยันได้เลยว่าเอาไปใช้ได้ในทุกกรณีนะศัตรูเรามีศัตรูใช่ไหมคุณเอาไปใช้กับศัตรูก็ได้แล้วก็ กรณีที่เราถ้าเราไม่ได้ฝึกอยู่เป็นประจำนะอันนี้แน่นอนเราจะจะเสื่อมลงนะเป็นธรรมดานะเพราะว่ามารเนี่ยจะได้โอกาสนะคือบุคคลที่เผลอสตีอยู่เรื่อยไม่ฝึกใจไม่ฝึกจิตไม่ให้อาหารใจเนี่ยจะเป็นบุคคลที่เผลอจะเป็นบุคคลที่ประมาทนะเพราะประมาทแล้วเนี่ยมารจะได้ช่องนะคือมารจะได้ช่องไม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทางใดทางหนึ่งที่จะจะคอยมา จัดการกับเราได้ช่องหนึ่งที่มันจะเข้ามาก็คือวความฟุ้งซ่านนี่แหละเพราะนั้นเราต้องคอยฝึกอยู่เป็นประจำและการฝึกนี่มันไม่ใช่เรื่องเครียดครัตอะไรคือบางคนจะไปเข้าใจว่าฉันต้องฝึกเหมือนต้องฝึกกีฬาโอ้มันต้องเหนื่อยมันต้องเครียดมันจะต้องเจ็บปวดมันจะต้องทรมานนั่นไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าคุณทําปิดแล้วนะพู้เจ้าเคยยืนยันว่ามีความเครียดครัตทําให้กายเครียดครัตในการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้เป็นตัวข้อก็เรียกว่าข้อที่จะทําให้จิตเราไม่สงบ เป็นตัวตัวกีดกั้นตัวหนึ่งเป็นตัวกางกั้นตัวหนึ่งการที่มีใายเครียดครียในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่ที่จะทําให้กายเครียดกคดแน่นอนต้องเป็นอย่างธรรมชาติอันนี้ยินดีด้วยใจสบายสบายใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราก็เป็นเรื่องที่เราทําได้อยู่ตลอดเพราะลมหายใจเรามีตลอดนะเจ้าค่แล้วทีนี้อืมแล้วทีนี้ว่าถ้าเผื่อว่าจิตเราฟุ้งซ่านในบางครั้งบางคราวนใจมันลอยไปฟุ้งซ่านไปเนี่ย มันก็เป็นธรรมดาตัวตัวของอาตมาเองในะสมัยก่อนที่เป็นคารวาสเนี่ยว่าเราคิดมากใช้สมองอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวต้องทําะไรนี่เดี๋ยวต้องทําะไรนี่ต่อโทรหาคนนั้นต้องเตรียมประชุมทําเรื่องนี้แล้วก็ยังจะต้องมาทำอนี่กลับมาบ้านก็มีทั้งงานราชงานหลวงอะไรต่างนานาซ้ายขวาหน้าหลังนะเต็มไปหมดเลยเคิดอยู่ตลอดเวลาวินาทีหนึ่งเรียกว่าคิด3เรื่องนะบางอันเถอะทีนี้พอมานั่งสมาธิมันมันไม่ใช่ว่ามันจะสงบแน่นอนนะมันมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน เพราะฉะนั้นไอความคิดเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงนะวิธีที่พระเจ้าเคยบอกเอาไวนะ้ซึ่งเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะพระองค์เปรียบเจ้าความคิดหรือว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะความคิดอย่างเดียวนะความคิด เ, เป็นหนึ่งใน6อย่างที่จะมากระทบคุณแจใจนะ <c oughs> อย่างอื่นก็จะมีตานะตานี่มันจะใช้รูปมากระทบเสียงมากระทบทั้งหูนะกลิ่นมากระทบ จ, จมูกเพราะฉนั้นไอรูปเสียงกลิ่นรสผลพระแล้วก็ความคิดนี่มาด้วยกันนะมา6อย่าง ก็มาตั้งหช่องทางก็เรียกขัดสะใช่ไหมครับขัดสะตั้ง6ชั้นช่องทางทั้งหมดเนี่ยมันก็พยายามที่จะดึงจิตของเราออกไปในที่มันจะดึงจิตของเราออกไปตามช่องทางนี้นะดึงจิตของเราให้ไปรับรู้อาการที่เราจิตเราไปคิดเรื่องอดีตปัจจุบันเนี่ยมันดึงออกไปทางธรรมารมละนะแล้วก็บางทีเราไปคิดถึงได้ยินเสียงเห็นรูปนําออกไปทางทั้งตาทั้งหูละในเวลาเราดูหนังดูภาพยนตร์อย่างเงี้ยตาเราก็ดูรูป โอ้โเราก็ได้ยินเสียงใจเราค่คิดตามไปนะเราก็ถูกดึงออกไปได้ด้วยสามทางนี้แน่นอน <Okay. S 1> ทีนี้จิตของเราดึงไปดึงไปดึงไปเนี่ยมันก็ฟุง้งซ่านล่ะมันก็ฟุง้งซ่านล่ะทีนี้บางทีความคิดนี่คิดสามสี่เรื่องพร้อมกันไปด้วยดูหนังไปอยู่คิดถึงที่บ้านดูหนังไปอยู่เดี๋ยวโทรหาคนนี้ว่าออกจากหนังเราจะต้องไปหาใครแล้วมันมันไปได้ตลอดนี่คือลักษณะของการที่เราอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็คื อ, ค, อ, ค, อความคิดเนี่ย ถ้าเรามีคิดนั่นคิดนี่อาจจะไม่ช่วยฟุ้งซ่านนะต้องทาความเข้าใจนิดนึงว่าความฟุ้งซ่านต่างกับความคิดที่หลายๆเรื่องยังไงคือมันจะจะบอกยังไงสมมติว่าเรามีของหลายอย่างคุณใจแต่ถ้า เ, เราของหลายอย่างเราจัดอย่างนั้นจัดอย่างนี้อย่างนี้มันโ้หมันดูแลยุ่งเหยิงไปหมดเลย แต่จำนวนของที่เท่ากันนะจํานวนของที่เท่ากันแต่ถ้าเราจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะวางตรงนี้วางแนวเดียวกันนะเอานี้มาสิ่งที่เหมือนกันกองไว้ด้วยกันนะปากกาใส่กล่องเอาไว้จํานวนของเท่าเดิมแต่มันดูแล้วเรียบร้อยโอเคเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจํานวนเนี่ยมันมากหรือน้อยเงแต่มันอยู่ที่ระบบของความคิดที่ว่าเอ๊ะมันฟุงงซ่านหรือไม่ฟุงงซ่านคุณเตือนใจลองดูโต๊ะทำงานนะโ <Okay. S 1> ต๊ะทำงานของพนักงานบางคนเนี่ยโอ้ยุ่งเหยิงไปหมด พ่อโต๊ะทำงานของพนักงานบางคนมีของมากอยู่แต่ว่าดูแลไม่ยุ่งก็มีนั้นใจเราเหมือนกันมีความคิดหลายๆอย่างคิดนั่นคิดนี่แต่เป็นความคิดที่ไม่ยุ่งก็มีนั่นคือไม่ใช่ใจฟุง้งซ่านเพราะฉะนั้นคืคิดอย่างเป็นระเบียบว่าคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เราจะต้องทํางานอ อ, นอย่างตอนที่พระอาจารย์ทํางานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ใช่ไหมเจ้าคะที่ว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศบางทีอาทิตย์หนึ่งต้องหลายประเทศด้วยกันอย่างนี้เจ้าคะ ต้องจัดลำดับว่าเราจะไปไหนยังไงอะไรสำคัญกว่าหรือไม่อย่างไรใช่มเ้าคะคือความความฟุ้งซ่านเนี่ยมันคือความที่เรากังวลใจวุ่นวุ่นวายใจูจริเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ถูกถูกขังนะถูกขังแล้วก็ขอไปคือคนที่เป็นทาตุไหนเะจ้านายคนนี้ใช้ไปแน่นทีหนึงคนนี้ใช้ไปแน่นที่นึงมันเป็นทาตของความคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ความฟุ้งซ่านนี่คือความที่เรามันทําให้เราไม่กังวลไม่ไม่ไม่สบายใจ เป็นความที่ต้องตกเป็นทาตุแถ้ามา่อรเรารู้สึกว่าเราเป็นธาตเราไม่มีอิสระนะเราถูกความฟังชั่นครอบงําอยู่แสดงว่าความคิดเนี่ยเป็นลักษณะที่ฟังชั่นละคุณจะต้องคุณจะต้องลดมันลงหรือว่าคุณคิดมากไปแล้วหรือว่ากระบวนการคิดคุณไม่ถูกอันนี้ต้องแก้ไขตรงนี้ อ, อืวค่ะทีนี้ว่าทํำยังไงเราถึงจะแก้ไขได้แตนะ่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบเจ้าไอ้ตาหูจมูกหินกายใจหอย่างเนี่ยนะคุณนรช เ<ช>ปรียบเหมือนกับสัตว์6ชนิดสัตนวะ์6ชนิดก็คืออะไรบ้างมีลิงนะมีสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกนะนกจระเข้แล้วก็งู6อย่างนะจับสัตว์แต่ละตัวเนี่ยเปรียบเหมือนอวนะัยทะทางตาหูจมูกลิ้นกายใช้ทางนะแล้วเราเอาเชือกมาผูกเข้าไวนะ้ผูกไว้ด้วยกันด้วยเชือกเหนียวเส้น1เส้น1แต่ละตัวผูกเส้น1เส้น1ใช่ไหมแล้วก็เอามาผูกรวมกันไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อย เพราพอมันผูกรวมกันไว้ตรงกลางแล้วปล่อยเนี่ยตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันจะดึงไปทันทีถ้าจระเข้มันมีแรงมากกว่ามันก็จะดึงทุกตัวลงไปลงน้ําะถ้าเผือว่าสุนัขป่ามีแรงมากกว่ามันก็จะดึงทุกตัวเข้าไปในป่าช้าถ้านกมีแรงมากกว่ามันก็จะบินลอยขึ้นไปพาทุกตัวไปตามทางที่มันไปเช่นเดียวเเช่นดียวกันกับจิตของเราถ้าหูมีแรงมากกว่ามันก็จะดึงเราไปตามหู จมูกลิงก์กายใจอาหารมาล่ออยู่ตรงหน้าโอ้โหน้ำลายหลายก็ไปตามลิ้นอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่ารูปที่สวยๆหรือว่ารูปที่น่ารังเกียจอยู่ข้างหน้าเราก็จะไปตามนะความขยักขแย้งหรือว่าความที่ลุ่มหลงโมวเมาในสิ่งที่เห็นนะเป็นลักษณะนี้ธรรมดาตรงนี้แหละคือความวุ่นวายใจนะที่ทําให้จิตใจเราฟุ้งซ่านคือที่ถ้าเรารู้ว่าเราฟุ้งซ่านนี่ย่างดีนะคุณใจ คือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยสามมติเองฟุง้งซ่านอืเจอันนั้นอันตรายกว่าอันตรายมากเลยคิดไป <Okay. S 2> ตามเพลดิดเพลินรุ่มโรงเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนั้นโทรศัพท์สองเครื่องหูซ้ายคุยเรื่องหนึ่งหูขวาคุยเรื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่ง <c oughs> วางอยู่ใ น, นกระเป๋ายัางดังอยู่อีกมันก็จะ <c oughs> จะจ ะ, จะไปมากมายไปนะฟุ้งซ่านอย่างนี้เราจะต้องมีคอยมีสตนะิถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเราฟุ้งซ่านแต่ยังละไม่ได้อันนี้ดีมากแล้วดีดีกว่าคนที่ยังไม่รู้ตัวด้วยสามมตงฟุ้งซ่านจุ๊ค่ะ คือถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราเราแก้ได้แน่เราว่าวิธีการมันมีอยู่เราก็ทําตามวิธีการแค่นั้นเองใช่ไหมแล้ถ้าคุณไม่รู้ว่าปัญหาตัวเองมีอะไรเนี่ยโอ้ยิ่งแย่หนักเลยเหมือนเราเดินไปในในที่มืดเนี่ยเราเดินไปในป่าเราไม่รู้ข้างหน้าจะมีอะไรขวางไมมมีเหวไมมมีหลุมไหมเป็นบ่อหน้าไหมเราเดินไปเดินไปนี่มีแต่มีแต่จะพลาดเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเรายังมีแสงสว่างนิดๆหน่อยๆตามทางที่พระเจ้าได้บอกไว้ ท่าพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนการจุดไฟไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้มองเห็นทางมองเห็นสิ่งต่างๆไม่เป็นอันตรายได้ทีนี้พอมีเรารู้แล้วว่าจิตเราฟุง้งซ่านเราจะทำยังไงเราก็ใช้กระบวนการวิธีเดียวกันนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนเจ้าสัตว์หชนิดเนี่ยถ้าเราผูกเขาเอาไวา้นะกับเสาเขื่อนหรือเสาหลักนะเสาเขื่อนเสาหลักนี่เป็นยังไงนะคือไม่ใช่เสาธรรมดานะเสาเขื่อนเนี่ยเป็นลักษณะเสาหินทั้งแท่ง นะถ้าเราเห็นเขื่อนเนี่ยที่เขาสร้างเขื่อนใช่ไหมเขาจะต้องหลอกคอนกรีตขึ้นมาคุณเตือนใจแต่นะเป็นคอนกรีต ท, ทั้งแท่งไม่มีรอยต่อคือไม่ได้เอาคอนกรีตมาต่อกันนะแต่เป็นคอนกรีต ท, ทั้งแท่ง <Okay. S 2> นะซึ่งมันจะใหญ่แล้วก็ใหญ่โตแล้วก็มั่นคงแข็งแรงด้วยนะเจ้าค่ะขยับพยืนยากมากใช่ใช่ท่าในสมัยก่อนเขาทายัางไงเขาก็จะเอาเสาหินนะทั้งแท่งไม่มีรอยต่อนะเสาหินไม่มีรอยต่อนะเห <Okay. S 2> มืนอนอย่างเสาโศกด้วยเนี้ยใครเคยไปอินด okay. ีคงจะรู้ว่าเสาโศกมันมันเป็นเสาหินทั้งแต่ง ของพรเจ้าโศกมหาร้านเจ้าคะยมเห็นมาแล้วเจ้าค่ะใหญ่มากเลยหลายพันปีมาแล้วนั่นน่ะเจ้าค่ะยังอยู่นี่เจ้าค่ะเป็นเป็นเสาหินที่ยาวประมาณสักแปดซอกนะฝังลงไปในดินลึกสี่ซอกนะโผล่ขึ้นพ้นดินเอาเข้าไเสาหินนั้นสิบสิบหกซอกนะฝังลงไปในดินแปดซอกโพลขึ้นพ้นดินแปดซอกนะฝังไว้อย่างดีแล้วก็เอาสัตว์พวกนี้ไปผูกไว้กับเสาหินพวกนี้นะสัตว์พวกนี้ไม่มีทางดึงไปแน่นอนนะมันจะดึงไปมันดึงไปอยู่ เสาจะรู้สึกถึงแรงที่ดึงไปอยู่แต่ว่ามันก็จะไปไม่ได้อันนี้เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับความความคิดของเราเนี่ยนะบางทีความคิดเสียงรูปที่เห็นพวกนี้เราเรารู้สึกอยู่เรารู้สึกอยู่มันจะดึงเราไปอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยปล่อยสิ่งที่เราเห็นปล่อยสิ่งที่เราคิดปล่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะชื่อว่าเราเนี่ยจะมีกําลังเพิ่มขึ้นหน่อยหนังจิตของเราจะมีกําลังเพิ่มขึ้นหน่อยนึง นะสิ่งนั้นจะอ่อนแรงลงไปหน่อยหนึ่งนะคือเปรียบเส ม, มือนกับเสาเนี่ยนะมันจะได้รับแรงดึงอยู่นะคือว่าพอเรามันรับแรงดึงอยู่ไปเรื่อยๆนะสัตว์พวกนั้นอ่อนแรงลงเมื่อไหร่เนี่ยอันดับขั้นแรกก่อนนะมันจะดึงอยู่ไปเรื่อยๆก่อนนั้นะจนกระทั่งขั้นที่2สัตว์เหล่านั้นจะอ่อนแรงลงนะจนอย่างที่3เกิดขึ้นก็คือความที่มันจะมานั่งเจา้ายืนเจ้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเส า, เสาหลักนั้นคือไม่ต้องไม่ต้องเจอแรงดึงอีกต่อไป เพราะนั้นสมมุติว่าเราเราจิตของเราเนี่ยให้ให้เอาผูกเอาไว้นะแทนที่จะผูกไว้กับตาหูจมูกลิ้นไก่ใจนะมันมันเชื่อมต่อกันมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะมันเชื่อมกันมาแล้วมันผูกให้เราเรียบร้อยแล้วมันผูกจิตเราไว้กับตาแล้วผูกจิตเราไว้กับหูแล้วจมูกลิ้นไกใจมันผูกจิตเอาไว้แล้วแล้วนะมันจะดึงเราไปตลอดเราให้ผูกจิตของเราเนี่ยเอาไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักในที่นี้คือลมหายใจนะคือไม่ใช่ว่าเอาจิตของเราเนี่ย ปล่อยไปเรื่อยๆเพราะมันผูกอยู่แล้วเนี่ยจิตของเราถูกผูกอยู่แล้วด้วยตาหูจมูกลิ้นกาใจเราถูกล็อกอยู่แล้วนะเราถูกขังอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะนั้นจิตเราของเราเนี่ยถูกผูกอยู่แล้วแต่ที่นี้แทนที่เราจะปล่อยให้จิตของเราถูกพวกนี้ผูกไปดึงไปใช่ไหมเราก็เอาจิตของเราเนี่ยมาผูกกับเสาเกื่นเสาหลักในที่นี้ก็คือรมหายใจของเราเพราะเราจิตของเรามาผูกอยู่ที่เสาเกื่อนเสาหลักคือลมหายใจใช่ไหมไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเจ้าสัตว์ทั้งหลาย6กชนิดเนี่ยมันจะมีแรงดึงไปอยู่นะ เพราะมันยังไม่อ่อนแรงนี่ใช่ไหม <Okay. S 1> มันก็จะดึงจิตของเราไปอยู่ทีนี้พอมันดึงจิตเราจิตเราจะได้รับแรงดึงจิตเราจะได้รับแรงดึงห ม, มายความว่ามันก็จะมากระทบอยู่ดีแสดงว่าเรายังรับรู้ถึงความคิดอยู่ <Okay. S 1> คือยังมีความคิดเหมือนเดิมนั่นแหละมีความคิดเหมือนเดิมนะคือแต่เอย่างน้อยเรายังมีเสาเขื่อนเสาหลักนะแล้วมันต่างกันยังไงกับตรงที่ไม่มีเสาเขื่อนเสาหลักมันต่างกันตรงนี้ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อย่างจิตที่ไม่มีเสาเขื่อนเสาหลักเนี่ยถูกดึงไปปุ๊บก็หลไปตามเลยเพลิดเพลินไปเลยนะ ทีนี้พอเรามีเสาเขื่อนสลักขึ้นลมใจของเราเนี่ยเรามีเครื่องอ้างอิงลักนะเมื่อไรเรานึกได้ปุ๊บว่าเอ้ยฉันไม่ได้เปิดเติมแล้วฉันปล่อยน้ะปล่อยเมื่อไหรเนี่ยจิตเราให้กลับมาอยู่กับลมใจเรา ต, ตรงเนี้อาการที่เรากลับมาอยู่กับลมใจเนี่ยเรียกว่าจิตของเราเนี่ยมีสติแล้วะนะเพราะจิมีสติอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันดึงเราไปอีกนะก็คือเปรียบเสมือนกับเสาหินเนี่ยที่ยังได้รับแรงดึงอยู่ นะคือไม่ใช่ว่าพอมาคุณสังเกตเราหายใจเลยปุ๊บจิตคุณจะแบบนิ่งละเอียดไปเลยเนี่ยไม่มีความคิดเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นไปนไม่ได้นะเจ้าคะมันมันแล้วแต่บุญบา ร, รมีของแต่ละคนแล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละคนนะเจ้าค่ะบางคนอาจจะทําได้ก็ได้ไม่แน่อย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่นะเป็นเป็นเด็กอายุ ป, ประมาณยังเป็นเจ้าชายอยู่เป็นเด็กๆ เ, เนี่ยนะไปงานแรกหนาขวัญอนะ่นะนนะก็ยังไม่รู้จักวิธีสัมมาสมาธิอะไรยังไงไปนั่งอยู่ใต้ร่มม้ปุ๊บจิตเป็นสมาธิก็ทําได้ นั่นเราะว่าอินทรีย์ภาวนามันมันมันดีแล้วอะนะบางคนเเคยทําได้ก็มีบางคนยังทําไม่ได้ก็ก็มีก็ไม่เป็นไรในะอย่างไรก็ตามพอเรารับรู้ถึงลมหายใจของเราชื่อว่าจิตเรามีสติรับนะที่นี้มันเป็นอย่างนี้ว่าบางคนเนี่ยไปบังคับความคิดหรือบังคับจิตไม่ให้คิดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกนะถ้าเราบังคับจิตไม่ให้คิดเราบังคับความคิดไม่ให้มันไปคิดเนี่ยเราจะปวดหัว วิธีก็คือว่าไม่ใช่บังคับไม่ใช่ฝืนไม่ใช่เกรงแต่แค่ปล่อยคุณคุณตนใจเข้าใจนะว่าเราปล่อยกับคุณบังคับเขาเนี่ยไม่เหมือนกันคือเราปล่อยความคิดกับบังคับความคิดไม่เหมือนกันเราปล่อยจิตจากการที่ต้องไปรับรู้สิ่งเหล่านี้ให้จิตนั้นมารับรู้อยู่กับลมหายใจกับการที่จะบังคับจิตไม่ให้คิดเนี่ยมันไม่เหมือนกัน อืมเจ้าค่ะถ้าเราเห็นความแตกต่างเจ้าคะถ้าเราบังคับจิตบีบคั้นจิตบังคับจิตขูเข็นจิตนี่คุณจะปวดหัวอืมเจ้าค่ะพระเจ้าเคยทํามาแล้วนะตอนที่เอาลิ้นดันเปลลานนะเอากลั้นลมหายใจตรงนี้ปวดหัวมากนะลมแทงขึ้นไปที่พื้นอพื้นท้องไปที่ปวดท้องก็มีปวดหัวก็มีเป็นหลายอย่างเลยนะทีนี้เราไม่ได้บังคับอย่างนั้นเราไม่ได้ขู่เข็นจิตอย่างนั้นเราไม่ได้บีบบังคับไม่ต้องเกรงร่างกายไม่ต้องเกรงไหลไม่ต้องเกรงคิ้วไม่ต้องเกรงคอไม่ใช่เลย แต่ให้ทําอย่างสบายๆคือเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่ว่าเราจิตของเราไปแล้วเนี่ยนะให้ปล่อยทันทีปล่อยความคิดให้มันไปแล้วจิตของเราอยู่ที่ไหนจิตมันต้องมีที่อยู่ไงมันจะต้องกลับมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักคือราหายใจอือย่างเงี้ชื่อว่าเราได้รับแรงดึงอยู่มันยังดึงเราไปอยู่เรื่อยๆมันยังดึงเราอยู่เรื่อยๆแต่เรามีที่อยู่ของเราเราไม่ไปตามเขาที่อยู่ของเราก็คือเลมหายใจอย่างนี้ อืมเจ้าค่ะจิตเราก็จะจะนิ่งขึ้นนะเจ้าคะ่ะทีนี้มันยังยังไม่นิง่งนี่คือขั้นตอนที่สองทีนี้พอมันดึงไปอีกมันดึงไปเรื่อยๆนะมันจะมีแรงมันก็ดึงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คิดอีกเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็ไปอีกจิตเราก็ไปอีกแล้วก็ปล่อยอีกแล้วก็ขับมายโยง ล, ลมหายใจอีกเนี่ยเราทําตรงนี้บ่อยๆคุณนใจทําบ่อยๆทําซ้ําๆทํายําๆทําอยู่เรื่อยๆทำอยู่นั่นแหละนะปรากฏว่าสิ่งนั้นจะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงนะจิตเราจะค่อยมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเหมือนเล่นจักกระเถียวกันนะนะ นะเราก็จะดึงจิตเรากลับมาเฮ้ยมันอย่าเรื่องมากเลยฉันปล่อยมันแล้วกันมันก็ล้มคลื่นไปเลย<น>ะพอมันล้มขึ้นไปมันลุกขึ้นมาอีกมันจะดึงจิตเราอีกเราก็ปล่อยอีกแต่มันก็ล้มคลื่นไปอีกมันล้มบ่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดแรงเองอืใช่ใชงก็เบเหมือนอนเจ้าค่ะสิ่งนั้นจะค่อยหมดแรงไปเองก็เหมือนกับสัตว์ที่เป็นมายืนจา่าวนั่งจา่าวนอนจา่าวอยู่ข้างเสาเขื่อนสาหลักไม่ได้หมดมันไม่ได้มีแรงมาดึงเราแล้วมันหมดแรงแล้ว พอมันหมดแรงเมื่อไหร่ตรงนี้แหละจิตเราจะเริ่มสงบเริ่มนิ่งจากที่นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงใช่ไหมตอนแรกนั่งได้แค่1นาทีที่สงบนะไอ้อีก29นาทีไม่สงบอย่างเงี้ยมันก็ดึงกันอยู่นั่นแหะ29นาทีนี้ก็ชักเยื้อกันไปชักเยื้อกันมาฉันก็ปล่อยเธอก็ชักเยื้อฉันอีกฉันก็ปล่อยอีกกลัมาอยู่ที่ลมหายใจอีกอย่าบังคับนะทําให้เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยไอ้จากที่29นาทีที่ชักเยื้อชักกันไปชักเยื้อกันมาเนี่ยนะเราก็ปล่อยเขาเนนี่ะ มันก็จะล ด, ดเวลาที่ชักกระเย่ะกันไปชักกระเยาะกันมานี่เหลือ25นาทีนะไออี5นาทีเราก็ทําได้มากขึ้นอย่างเงี้จิตนิ่งมากขึ้นไม่มีการชักกระเยาะ <Okay. S 1> นะเราชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะมาอีกเราปล่อยอีกเรารู้วิหายใจอีกปล่อยอีกปล่อยอีกนะมันก็เหลือ20นาทีนะเราก็มีจิตที่ตั้งมั่นอีกได้เป็น10นาทีอย่างนี้คือจิตมีกําลังมากขึ้นใช่ใชจิตมีกาลังมากขึ้นสิ่งนั้นมีกําลังมาที่จะควบคุมจิตของเราเนี่ยได้น้อยลง เรามีอำนาจเหนือจิตมากขึ้นอย่างเงี้ยทีนี้มันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆฝึกอย่างตัวธรรมาเองเนะมื่อก่อนวินาทีหนึงคิดสเรื่องเดี๋ยวนี้คิดไหมยังคิดอยูนะ่ไม่ใช่ว่าไม่คิดเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันเชื่อมต่อด้วยระบบของนิวรอนคอนเน็กชันเนี่ยนะไอเซลสมองมันเชื่อมต่อมันเป็นธรรมชาติของของเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว <Okay. S 2> แล้วไอกระบวนการกับไฟฟ้าที่มันวิ่งกันไปวิ่งมาในสมองเนี่ยของเราก็ไม่ได้ลดลงบางทีพูดเร็วจนกระทั่งท่านผู้ฟังบางทีตามไม่ทันกันนะ <S <S ต้อง <S <S พูดช้าๆลงเนี่ยนะเพราะว่า ม, มันวิ่งอยู่ในสมองเนี่ยมันปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปากนี่บางทีมันขยับไม่ทันะก็เลยต้องพูดเร็วไปบ้างบางครั้งอย่างไรก็ตามนี่ยก็คือว่าความคิดเนี่ยมันก็แยกไปส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราฟังฟังทีนะพอเราทําไปทำไปทาไปทําไปเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อความคิดมันก็แยกไปส่วนหนึ่ง จิตขอเราก็อยู่อีกส่วนเป็นคนลานกันเรียกตัวอย่างเช่นอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเราฟังได้ยินเสียงอะไรข้างนอกไหมเสียงนกมันเริ่มวสว่างใช่ไหมเสียงแอร์ถ้าเปิดแอร์อยู่เสียงคนเสียงหมาเหา่าเสียงแะไรต่างๆก็ได้ยินอยู่แต่ว่าเราเลือกเฉพาะฟังรายการวิทยุอย่างเงี้ยเราแยากได้นะเสียงต่างๆข้างนอกไม่มากระทบคือไม่มากระเทืนจิตของเราก็ใจมาคือมันแยกกันไปะนะหรือว่าเวลาที่เราอ่านหนังสืออย่างมีใจจดใจชออย่างเงี้ย เวลาแม่เรียกหรือใครเรียกอย่างเงี้ยเราไม่ได้ยินเนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเสียงนั้นไม่มีแต่เสียงนั้นมีอยู่แต่ว่าจิตของเราเนี่ยใจจดใจจ่ออยู่ที่อันนี้อย่างเดียวเนะเราเคยยกตัวอย่างให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจเนาะว่าผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจกับลมหายใจเนี่ยเปนคนละอันกันเนาะถ้าเราลองกลั้นลมหายใจดูเราจะพบว่าไอ้ลมหายใจเราไม่มีแล้วแต่ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยมันยังมีอยู่แสดงว่าไอ้ตัวผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจกับตัวลมหายใจเนี่ยมันคนละอันกันแต่พอเราหายใจกลับมาปุ๊บมันแนบเนียนกันเหมือนนัก เพอเราท <German ica. S 1> ําไปทําไปเนี sí, like on, mm ่ยเราจะเริ thing, beast, exactly. ่มแยกได้ว <đầu Laura> ่าโอ้ลมหายใจความคิดก็อันหนึ่งนะพูดที่เข้าไปรู้ความคิดก็อันหนึ่งนะแยกกันนะอไม่เหมือนกันนะพอเราได้ถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยมันจะคิดอะไรก็คิดไปเถอะน่าไม่มีปัญหาแล้วน่เราก็มารู้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอันนี้จะค่อนข้างจะจะสบายจะทําได้ทําได้อ ทีนี้โยมอยากขออนุญาตกราบเรียนถามนะเจ้าคะแทนท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่อาจจะอยากจะรู้จากพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนมากขึ้นก็มีคุณวิไลจิตถามด้วยว่ารู้สึกพระอาจารย์จะบวชได้ไม่นานนะเจ้าค่ะแต่ว่าแตกฉานเรื่องธรรมะก็ขออนุญาตกราบเรียนถามเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์บวชได้สักกี่กี่พรรษาแล้วเจ้าค่ะผ<อ><บ>มได้เจ้า่ะหพรรษาปีนี้จะเป็นพรรษาที่ เปัญหาที่เจ็ดนี่แหละใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ ะ, คะแต่ว่าพระอาจารย์มีหลักอย่างไรเจ้าค่ะถึงได้แตกฉาน<อ>แล้วก็ในเรื่องของการทําสมาธิอะไรต่างๆนี่โยมสังเกตดูว่าพระอาจารย์นิ่งมากเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็มีการฝึกจิตอย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ ะ, คะก็ก็เป็นเพราะมีหลวงพ่อนคอยสอนเจ้าค่ะหลวงพ่อด ร, ร, อรสัาอาจเนี่ยนะคอยบอกสอนคือจริงๆแล้วอาตมามาบวชเนี่ยมันก็ก็ยากเหมือนกัน ค, คือว่าการอยู่ปฏิบัติประพฤติพรหมจารย์บางทีมันก็ ได้สิ่งที่เราไม่ต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการมันก็ไม่ได้แต่แต่ก็มีครูบาอาจารย์ที่คอยอดทนบอกกล่าวบอกสอนยืดหยุ่นด้วยบางทีบางอย่างมันไม่ดี ก, ก็คอยบอกคอยกล่าวคอยเตือนแต่ทําให้เราดีขึ้นมาได้ เ, าา เ, ดเพราะฉะนั้นก็คือมีอย่างมีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรเพราะนั้นอย่างท่านผู้ฟังเนี่ยต้องมีกัลยาณมิตรพระช า, าบอกกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจารย์กัลยาณมิตรตรงนี้ หมายถึงว่าจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรก็ได้จะเอาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเาพระสงค์เป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือจะเอาเพื่อนที่เป็นคารวะที่เป็นคนดีเป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือว่าจะเอาธรรมะคือมรรคแเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรก็ได้ก็ได้ทั้งนั้นเนี่ก็จะพาเราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้คือคือถ้าคนเดินอยู่บนถนทางเนี่ยมันก็ไปถึงเส้นชัยแน่แต่ถ้าเราไม่เดินอยู่บนถนทางเนี่ยไปทางนั้นเบี้ยวไปทางนี้มันก็ถึงยากนคนที่ทําให้เรามาคอยเดินอยู่บนถนทางได้เนี่ ก็คือเพื่อนเราเนี่ยคอยดึงกันไปดีเราฟังรายการธรรมะไปด้วยนั่นปฏิบัติไปด้วยเนี่ก็ชื่อว่าเดินอยู่บนหนทางมากันนะอืมเจ้าค่ะพอดีอมีข่าวเมื่อเร็วนี้ก็มีที่ท่านได้มีการถอนมุ่งถอนมั่นอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะก็เลยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเกิดขึ้นได้จริงหรือที่ว่าเราจะมุ่งทางธรรมขนาดนั้นซึ่งโยมคิดว่าเป็นประเด็นเดียวกับทาง พระอาจารย์ไพบูลเจ้าค่ะที่ท่านมาบวชแล้วก็ไม่ไม่ได้เห็นว่ามีวิแววว่าท่านจะเสร็จเพราะว่าท่านซึ้งในรสพระธรรมมากๆเนี่ยเจ้าค่ะยมอยากจะขอถามแทนท่านผู้ฟังว่าจิตหน้าตรงนั้นหรือว่าหนาขณะนี้ของพระอาจารย์เป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพู้สั้นๆตรงนี้เนี่ยว่าจริงๆแล้วก็ถ้าเราเห็นความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่มีคุณค่ามากกว่าการที่จะได้ความสุขแบบอื่นๆเนี่ยนะก็จะก็จะสามารถ ที่จะอยู่ได้คือจริงๆเรื่องนี้ก็สามารถอธิบายได้ในรายละเอียดรายการรายละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปในในแง่มุมต่อไปได้อยู่ใช่ค่ะ เราจจะคุยเปนในวันพรุ่งนี้นะคะได้ประเด็นนี้ได้เจค่ะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะก็ตามรับฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิบุญโนท่านได้พูดคุยในประเด็นนี้เรียกว่าเปิดใจกันนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะสนใจแม้แต่ตัวฉันเองผู้ดำเนินรายการก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าท่านคิดอย่างไรแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรที่เข้ามาอยู่ในทางที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนาขององค์พระศาสดาสัมพุทธเจ้านะคะ เรามากราบนมัส ก, การลาท่านแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามาพบกันใหม่นะคะตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งเหมือนเดิมค่ะขอกราบนมัส ก, การขอพระคุณและกราบนมัส ก, การลาพระอาจารย์ภคุณอภโิพุโหนแห่งวัดป่าดอนไหโสกมมนนหโสก อ, อหอหเภารจังหวัดอุดรธานีและพระเอกภคุณหลวงพ่อดรสะอาดชิตตูพัสดุท่านเจ้าอาวาสเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่าะ เ, เชิญผ่านสาธุเจ้าค่ะ